ผลจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบความสงบนี่เป็นยอดปรารถนาของคนทั่วไปไม่ว่าแต่คนแม่แต่สัตว์สิ่งดิริชานมันก็ต้องการความสงบเหมือนกันการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี้ก็เพราะมันไม่สงบนี่แหละ ทำตนให้สงบไม่ได้สาเหตุที่มันจะเดือดร้อนใจเป็นทุกข์ใจผู้ใดเบื่อต่อความทุกข์ก็ต้องทำใจให้สงบให้ได้แล้วก็ต้องพิจารณาเห็นโทษแห่งความไม่สงบเสียก่อนมันจึงจะ น้อมใจไปสู่ความสงบได้เห็นโทษแห่งความไม่สงบเห็นคุณแห่งความสงบนั่นมันต้องเห็นทางโทษเห็นทางคุณอย่างนี้มันจึงสงบได้เพราะว่าของในโลกอันนี้เนะี่ยมันมีเครื่องเปรียบเทียบกันอยู่ ให้พึงพากันสังเกตดูโลกนี้เนี่ยเป็นโลกคู่นะไม่ใช่โลกขี้ต้องคิดให้มันเห็นเพราะมันเป็นโลกคู่นั่นแหละมันจึงกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยไปเห็นมีดีแล้วมันก็มีชั่วเป็นคู่ปฏิปักษ์กัน มีร้อนแล้วมันก็มีเย็นเป็นคู่กันมีสุขแล้วก็มีทุกข์เป็นคู่กันมีบุญแล้วก็มีบาปเป็นคู่กันมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นคู่กันเนียกว่าเป็นเครื่องแก้กันก็ว่าได้ ฝ่ายไหนมีกําลังเหนือกว่าฝ่ายนั้นก็ย่อมเอาชนะได้เช่นอย่างความมืดอย่างนี้แหละเมื่อความมืดมาถึงแล้วความสว่างก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องละ ง, งับไปเอา้าที่นี่เมื่อความสว่างเกิดขึ้นแล้วความมืดก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปอืม เปรียบได้กับจิตใจคนเรานี่แหละเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วความไม่รู้ซึ่งเปรียบเหมือนอย่างความมืดนะ่นมันก็ดับไปถ้าใครไม่สามารถที่จะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตของตนได้พวกนั้นก็จมอยู่ในความมืดนั่นคือความไม่รู้นะ น, นี่น ความไม่รู้นั่นะเป็นเหตุให้คนเราทำความชั่วได้ความรู้นั่นแหละเป็นเหตุให้คนเราทำความดีได้นี่นะต้องคิดดูให้ดีผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้ขมักขม้นทำความดีเข้าไปขมักขม้นอบรมปัญญาให้เกิดขึ้น ด้วยการฟังด้วยการดูสำหรับตำราท่องบนจดจำเอาหลักวิชาต่างๆให้ได้แต่หมายถึงหลักวิชาในพุทธศาสนานี้แม่หลักวิชาในทางโลกสำหรับผู้อยู่ในวัยเรียนน่มันก็ควรจะขยันควรท่องควรจำให้ได้เพราะเป็นเครื่องชี้ หนทางแห่งการทำมาหาเรื่องชีพให้ดำเนินไปได้คล่องแคล่วดีดีกว่าคนไม่มีความรู้อันนี้ผู้มีความรู้ในทางธรรมอันนี้จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้หรือพ้นทุกจากอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน <c oughs> ดังนั้นเอ้ความรู้สองประการนี้นะใครๆไม่ควรปฏิเสธเลย mm hmm. ควรศึกษาให้รู้ทั้งสองอย่างนั้นเองเนะี่ยสำหรับนักบวชแล้วความรู้ในทางโลกนั้นรู้มันจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นัก mm hmm. ก็รู้ไว้พอเป็นกระสาย mm hmm. เมื่อเวลาที่ชาวบ้านเข้ามาถาม ก็จะได้ชี้แจงให้เขาฟังบ้างความรู้ในทางโลกนั่นนะ่ะนั่นน่ยจะได้แนะแ น, นวทางการทำมาหาเรี่งชีบให้เขาอ่านี่มันก็ดีอย่างเนี้ยพระนิทหากว่าไม่หลงนะคนส่วนมากมันหลงอนะ่ะเมื่อตอนมีความรู้ในทางโลกแล้วนี่ก็นึ ก, กว่าตนจะสึกออกไป เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้เพราะเรามีความรู้ <c oughs> ที่ไหนได้ความรู้อันนี้มีแล้วแต่ทุนค้าไม่มีมันก็แค่นั้นแหละผู้เขาเจริญรุ่งเรืองได้นั่นทั้งมีความรู้และทั้งมีทุนด้วยนั่นมีหลักทรัพย์ด้วยนี่นะ นั่นแหละมันถึงจะเจริญขึ้นได้อย่างง่ายได้คนเรามีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่มีทุนข้ามันก็แค่นั้นแหละทำอะไรก็ไม่ได้ว่าไปทำงานทำราชการก็ได้เงินเดือนพอใช้ไปเดือนเดือนพอสิ้นเดือนก็สิ้นเงิน อย่างนี้แหละความรู้ในทางโลกนะมันก็พอประทังชีวิตไปคนส่วนมากนะมันไปนติดความรู้ในทางโลกนั่นแหละมากต่อมากเพราะว่ามันเป็นสายเดียวกันกับกรร ม, มคุณเมื่อมีความรู้หาเงินหาทองได้มาแล้วฉชนนี้มันก็ต้องการรูป ชนิดไหนเสียงอย่างไรกลิ่นอย่างไรรสอย่างไรสัมผัสอย่างไรมันก็ได้ตามประสงค์นี่เพราะว่าจิตมันติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่โลกเขาสมมุติว่าเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆมูนั่นเนี่ยนี่เรียก ว, ว่ามันหลงอะ่ะหลงโลกออันนี้น่ยคนหลงโลกนาะให้พึ่งเข้าใจ ในว่าโลกนี่จะให้ความสู่แก่ตน <c oughs> หลงมากๆเข้ามุกไปทำบาปทำกรรมเพราะความต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสนันหละก็ไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมูสาวาดดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นั้น นี่ก็เพราะมันหลงมากนั่นเองะมันหลงจนไม่รู้ว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรไม่รู้เลยควรควรพากันกลัวนะความหลงนี่นะเรากลัวไว้นั่นแนะดีคนส่วนมากไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจไม่ได้พิจนาเห็นโทษเห็นพิษภัยของความหลง เพราะฉะนั้นมันจึงไม่ขมักขม้นศึกษาแล้วเรียนไม่ขมักขม้นสนใจการสดับตรบฟังสเสวงหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมบางคนเอาฟังกันจนว่าพอแรงแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้ความรู้อะไรก็มี ความรู้ที่จะเอาตัวรอดจากกิเลสบาปะธรรมกรรมอันชั่วมือนี้นะก็ไม่มีแต่้ว่าฟังมากต่อมากเลยเรียนก็มากบางคนนะจำหลักวิชาต่างๆนี้ได้ดีทั้งทางโลกทางธรรมแต่แล้วก็ยังไม่มีปัญญาที่จะมากาจัดความชั่วออกจากตัวได้ก็มี อโม น, นียน่าสังเวชสรดใจจริงๆเนอะนี่นี่พอานั้นจึงอยากจะย้ำแล้วย้ำอีกมันบางคนก็มีแต่ความจำไว้เฉยๆนี่นะที่ท่านเรียกว่าปริยัตนะนะแล้วมันขาดปฏิบัติสีแบบนี้นะนะั่นเนี่ยมันขาดลงมือปฏิบัติ ฝึกขัดโน้มกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตนเรียนตนจำได้มานั่นนะแม้หลักวิชาทางโลกก็เหมือนกันนะบุคคลที่จะหาเงินหาทองไม่ได้ทั้งที่มีความรู้เรียนมาแล้วอย่างนี้มันหาไม่ได้ก็เพราะมันไม่ได้ปฏิบัติตามหลักวิชาความรู้นั้น ให้เต็มที่เพราะหลักวิชาความรู้บางอย่างมันยุ่งยากมันเกี่ยวกับความเพียรความอดทนลงมือกระทาทางกายด้วยกล่าวทางวาจาด้วยคิดทางจิตใจด้วยพร้อมทั้งตรทวานเลยทีเดียววันนี้คนใดขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยถึงจะมีความรู้อะไมันก็ ทำงานไม่ได้อพรางานบางอย่างมันก็ต้องหนักบ้างอย่างนี้แหละหนักทั้งกายหนักทั้งวาจาหนักทั้งใจทั้งความคิดความอ่านวัอนี้นะคนเกียจคร้านเฉยชาแล้วไม่สู้ออืเช่นอย่างทําการค้าอย่างเนี้ยต้องใช้ความคิดมากเลยอ มันนี้เมื่อบคุคคใดไม่ฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วไปใช้แต่ความคิดอย่างเดีย ว, วจิตสงบไม่ได้เล ย, ยนี่มันก็เอาเลยเอาไปเอามาก็เป็นโรค ก, กิตอ่ะเป็นโรคประสาทไปนั่ น, น่ยไปไม่รอดดังนั้นนะข้อปฏิบัติในทางธรรมนี่นะเอาไปใช้ทางโลกทางโลกก็ได้ แต่คนไม่รู้จักนั่นนะถ้าใครฝึ ก, กจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปได้รู้จักห้ามจิตของตนจากความชั่วต่างๆได้อย่างนี้น ะ, ะมันก็ไปทำงานในทางโลกมันก็ทำได้ทังเข้าสังคมใดก็เข้าได้มไม่ได้ประพฤติชั่วเพราะว่าเมื่อสิ่งใดที่มายั่วให้ เกิดโมโหโทโสเกิดความโลภความโกรธหลงอย่างนี้มันก็ไม่ไหวตัวไปตามห้ามจิตได้นั่นคนที่ฝึ ก, กจิตได้นะฝึ ก, กจิตได้อย่างในขั้นโลกีวันเถอะมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่อันนี้บางคนแม้แต่ความรู้สึกในทางโลกีนี่มันก็ฝึกไม่ได้นั่นเอง ฝึ ก, กจิตไม่ได้ความรู้มีอยู่แตห่ห้ามจิตไม่ได้สะกดจิตของตัวเองไม่ได้หมายความว่าไม่เคยฝึกขัดสะกดนั่นไฝึกก็ฝึกไปอย่างนั้นแหละพอสาบายไม่ตายเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีเหตุมาถึงเข้าแล้วมันจึงวันไหวไปเลยจิตใจของคนเหล่านี้นะห้ามไม่อยู่เลย มันจะห้ามยังไงได้ในเมื่อตนไม่ฝึกมาแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ต้องฝึกเรื่อยแหละการที่จิตใจนี้มันจะห้ามตัวเองได้นะเมื่อเวลาเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมานะก็ห้ามจิตไว้อย่าให้มันไปยึดถือเอาเรื่องชั่วนั้นมาเป็นอารมณ์นี่ อันนี้มันมันหลงอีกซะด้วยเลยมันไม่มันนึกไม่ได้เลยว่าความชั่วอย่างนี้มันนึกไม่ได้อย่างว่าเขาด่ามาอย่างนี้คิดแต่จะด่าตอบอย่างเดียวไม่คิดว่าจะอดกั้นเลยเพราะมองไม่เห็นว่าอการอดกั้นอย่างนั้นมีคุณมีประโยชน์อย่างไรอมองไม่เห็นเลยอะ่ะมองเห็นแต่ว่า เขาด่มาเราต้องด่าตอบอันนี้เป็นความชอบแท้มองเห็นแต่อย่างนั้ น, เ, นเขาตีมาเราต้องตีตอบอันนี้ก็เป็นความชอบอันหนึง่งอซึ่งไม่ตรงต่อคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็เคยพูดให้ฟังและยกทั้งบาลีมาอ้างให้ฟังมันก็ยังไม่ปฏิบัติตามบางคนนะอ ไม่จำเลยนั่ น, นมติทางพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอกโกเทนชิเนโกทังพึ่งเอาชนะความกโกรธด้วยไม่กโกรธตอบอะสาธงสาทุนาชิเนพึ่งเอาชนะความไม่ดีด้วยการทำดีตออนั่นนี่ เราพึ่งเอาชนะคนตณีด้วยการให้การบริจาคทานนี่พระศาสดาทรงแสดงไว้อย่างนี้นะเราเป็นบริษัทของพระองค์ทั้งภิกษุทั้งสา ม, มนเณรทั้งแม่ชีแม่ขาวก็ตามเนียทั้งชาวบ้านก็ตามนล้วนแต่ปฏิ ญ, ญาณตนถึงคุณพระรัตนไกลแก้วสามประการนี้เป็นที่พึ่งทั้งนั้นเลย ไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วก็ต้องไม่ได้ปฏิ ญ, ญาณตนถึงพระรัตนากายเป็นที่พึ่งเลยได้ปฏิ ญ, ญาณตนแต่ชาวบ้านนั่นแหละไม่ใช่นี่เหมือนกันหมดเลยเมืม่อเป็นเช่นนี้นะก็แสดงว่าเรานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมคาสอนของพระองค์ นับถือพระสงฆ์สาวกของพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของตนทุกคนเลยและจะนึกเอามตะเป็นที่พึ่งเท่านั้นอย่างเดียวแล้วไม่ละกิเลสปาประธรรมตามคำสอนที่ทรงแนะ น, นำไว้อย่างนี้นะจะได้คุณเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งได้อย่างไรอะ่ะก็คุณทั้งหลายเหล่านั้นนะ ก็กลัวว่ า, วาจะเป็นของประเสริฐได้คือว่าเจ้าของพระคุณเหล่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะพระองค์คนละบาปบำเพ็ญบุญมาแล้วนับชาติไม่ทวนนั่นคิดดูให้มันเห็นอันพระธรรมนั้นนะ่ะก็เกิดจากพระไทยอันบริสุทธิ์พุตผ่องของพระพุทธเจ้านั่นเลยนี่ เพวันนั้นพระธรรมเมื่อเกิดจากพระทัยบริสุทธิ์จานั้นก็เป็นพระธรรมอันบริสุทธิ์เหมือนอย่างแก้วหรือว่าทองคําธรรมชาติที่นายช่างเขาเจรไนเขาหล่อหลอมดีแล้วไล่สนิมออกหมดแล้วนะมันจึงเปล่งแสงเวววาวออกมาเป็นที่น่าต้องการปรารถนาเลยอืมสําหรับคนมีสตังหรือคนมีปัญญานะ คนไม่มีปัญญาแล้วก็เห็นแล้วก็เล่นไปแล้วไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอะไรต้องการเลยอย่างที่ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างไก่เห็นพล่อยนะนะั่นแหะมันไก่มันไม่รู้ว่าปลอยนะั่นมันมีค่าอะไรมากมายมันไม่รู้เลยมันก็ไปเขี่ยเล่นไปอย่างนั้นแหละออันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละคนเรานะ่ะ คุณพระรัตนไกรนี่เมื่อไม่ศึกษาให้ละเอียดถี่ท้วนแล้วนับถือไปก็ศักดิแต่ว่านับถือไปเพราะเธอขอไปทีเพราะว่านั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าจะไปเข้าถึงพระคุณนั้นทั้งสามนั้นได้จริงจังเป็นไปไม่ได้ถ้าผู้ใดเข้าถึงคุณพระรัตนไกรนั้นได้จริงๆนะเข้าถึงว่าเป็นที่พึ่งได้จริงอย่างนี้นะ ผู้นั้นยอมละชั่วได้ทำดีได้เมื่อละแล้วไม่กลับทำอีกความชั่วนั้นความดีเมื่อทำแล้วก็ไม่ไม่ยอมให้เสื่อมเลยยกตัวอย่างเช่นพระโสดาบันอย่างนี้แหละอันนั้นถ้านเข้าถึงคุณพระรตระนกัยได้ได้เต็มได้เต็มที่จริงจงเนี่ยนั่นเนะ่ง แต่ก็ไม่ไม่ใช่บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่หรอกแต่เต็มที่ในขั้นหนึ่งในขั้นต้น mm hmm. เมื่อท่านถึงคุณพระรตนากรยได้ขั้นนั่นแหละเรียว่าถึงขั้นพระโสดาบันนี่ก็เป็นความบริสุทธิ์ของขั้นนั้น mm hmm. ก็มีขอบเขตจากัดให้พระโสดาบันท่านทำความดีไว้ รักษาความดีอันนั้นไว้ไม่เสื่อมเลยเช่นพระโสดาบันนี่ความโลภ ค, ความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่หรอกแต่ว่าความโลภโกรธหลงของพระโสดาบันนั้นนะไม่สามารถที่จะทําให้พระโสดาบันนั้นทําความชั่วเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาท ดื่มสุราไม่ไรเครื่องดองของเมาของเสพติดโทษทุกชนิดใ น, นไม่มีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อ้าวเป็นไปไม่ได้คาว่าความโลภนั่นก็หมายถึงความเพี้ยงเลงความที่ไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้พระโสดาบันไม่ทำหรอไม่ทำแต่ไม่ทำทำไมมีความโลภอยู่ อันความโลภของวทสดารวันนั้นเพียงแต่ว่าเพ่งเล็งไปเท่านั้นแล้วไม่ลงมือทำคือว่าจิตอยากได้เท่านั้นหละไม่ใช่กายทำไม่ใช่วาจาพูดไปตามความคิดนั้นเพียงแต่ความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตัวได้ว่านั่นไม่ใช่ทางเท่านั้นแล้วท่านก็งดเป็นอย่างนั้นแม้ความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยท่านก็ยังละผ่านไม่หมด โกรธอยู่แต่ว่าเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วไม่ถึงกับว่าได้ลงไม้ลงมือประหัตประหารผู้อื่นไม่ลงถึงกับว่าได้กล่าววาจาหยาบคายเสียบแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจนั่นเมื่อเมื่อท่านรู้ตัวว่าโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็รีบระ ง, งับเลยนี่กิเลส ข, ของพระโสดาบันให้พึงเข้าใจ ทีนี่ปุถุชนนะไม่เป็นอย่างนั้นสิมันโกรธขึ้นมาแล้วมันไม่รู้ตัวอะไระระ ง, งับแต่ภายในจิตใจไม่ได้เลยก็ต้องแสดงออกทางกายทางวาจามาแล้วตบตอีอย่างอ่อนนะ น, นี่นะถ้าอย่างแรงก็ยิงฟันแทงด้วยอาวุธสัตรา นั่นเอาให้ถึงแก่ความตายนั่นเนี่ยว่าจ้าก็กล่าวหยาบคายด่าโคตรพ่อโคตรแม่อะไรต่ออะไรของคนอื่นเข้าไปนั่นเรียกว่าวาจาชนิดที่หยาบคายเรียกว่าเป็นบาปอกุศล น, นะพระโสดาบันไม่มีไม่ได้กล่าวว่าจ้าอย่างนี้อ ให้พึ่งเข้าใจแม้ความหลงก็ยังมีอยู่พระโสดาบันนะแต่ว่าความหลงในขั้นนี้นะไม่สามารถที่จะให้ท่านได้ไปทําบาปดังกล่าวมานั้นได้อเพียงจะหลงไปนิดๆหน่อยๆไปตามธรรมดาเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ตัวไม่ถึงกับว่าที่จะไปให้ทาําบาปมีค่าสัตว์เป็นต้นได้ไม่มี อันนี้แนหะเพราะฉะนั้นทุกคนนะอย่าไปอยากเป็นผุ้ทุชนคนหนาไปด้วยกิเลสอยู่อย่างนั้นตลอดไปควรตื่นตัวกันเพราะเราเป็นผุ้ทุชนคนหนาไปด้วยกิเลสมาเนยมันนับชาติไม่ทวนแล้วน ะ, ะแล้วจนมาถึงในชาติปัจจุบันเนี่ยเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยอันประเสริฐนี่แล้วนะ พระพุทธเจ้าท่งชีง้แนวทางปฏิบัติไว้ให้แล้วอชี้อุบายกําจัดกิเลสป่าประธรรมเหล่านี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วทําไมเราถึงไม่ลงมือปฏิบัติตามเนะี่ยทําไมจึงยอมตนเป็นคนหนาไปด้วยกิเลสอยู่อย่างนั้นนี่มันต้องเตือนตนนี่อย่าไปให้แต่ผู้อื่นสอนอตนก็ต้องเตือนตนเข้าไปมันถึงได้ กไปได้ถ้าผู้อื่นสอนเมื่อตนไม่เอาตามไม่จำอุบายนี้ไปสอนใจตัวเองน้อนก็แค่นั้นแหละมันจะละชั่วทำดีไม่ได้เลยคนเราอือมก็อย่างที่พูดมาแล้วข้อปฏิบัติสามประการนี้นะทั้งของรครืหัดทั้งของนักบวชกระลุวนแต่เป็นเครื่องกำรรจัดกิเลส อันมันหมักรองอยู่ในกิตใจมานมนานนับชาติไม่ทวนแล้วการให้ทานอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องกมจัดความโรคความตณีออกจากกิจใจให้เบาวางไปโดยลาดับผู้ใดให้ทานมากก็ไว้เท่าไรความโรคความตณีมันก็ยิ่งเบาวไปเท่านั้นตลอดถึงให้อภัยทานอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนะยิ่งกิเลสยิ่งหมดไปหลาย น น, น่การรักษาศีลอย่างนี้การเจริญเมตตาการุณาอยู่ทุกวันทุกคืนอย่างนี้มันก็เป็นอุบายสำหรับความจัดความโกรธความพยาบาทให้บาบางอุปจากขีดใจจนกว่ามันจะหมดสินนะ้นเมื่อปฏิบัติไปไม่ทอดถอยมันก็หมดไปได้สิ้นไปได้คนระับแต่ละบางคนก็ยังปรากฏว่าทั้งที่มาแสดงตัวว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ย ก็ไปยังบรรเทากิเลสเหล่านี้ให้เบาวางออกไปจากหิตใจไม่ได้ยังสแสดงความโกรธออกมาทางกายวาจาได้อยู่เนี้ยน่าทุเรศจริงๆเนะ้อความจริงเนะ้อมันควรจะให้ขุนอยู่แต่ในใจเท่านั้นก็ยังดีอยู่นะอย่าไปสแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็ยังน่าบ่อเป็นฐานดีอยู่อ เพราะมันไม่เดือดร้อนถึงผู้อื่นเดือดร้อนแต่ตัวคนเดียวเมือ่อเมื่อห้ามจิตนั้นให้มันขุนอยู่แต่ในจิตใจอย่างเดียวเท่านั้นเนาต่อไปตนก็พยายามกาจัดมันออกไปพยายามละมันไปอย่างนี้นะมันก็ไม่เหลือวิสัยอะเช่นความหลงอย่างนี้ การภาวนาเนี่ยที่พระองค์เจ้าสงสอนในภาวนาก็เพื่อกําจัดความหลงนี่โดยตรงเลยคบความหลงนี่นะหรือว่าคนผู้หลงนี่นะหมายถึงคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตัวเองไม่ได้รู้เรื่องราวของตัวเองไม่ได้เนี่ยพูดกันอย่างง่ายๆรู้ว่าตนนั้นอนะ่ะเป็นอยู่อย่างไรทุกวันเนี่ย ตนพอใจในบาปยึดเอาบาปไว้หรือไม่ไม่ไม่รู้เลยทั้งที่บางคนทำบาปอยู่ปันใดก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตนมีบาปอยู่ในตัวกว็เพราะฉะนั้นมันถึงไม่เพียรละบาปมีแต่สร้างบาปเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆก็เพราะมันหลงนั่นนะมันลึกถึงบาปไม่ได้เลยมันไม่รู้เลยว่าบาปมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ได้อย่างไรอ่ ะ, อะ แล้วก็มองไม่เห็นหนทางที่จะกําจัดบาปออกจากหัวใจเลยบางคนเนะี่ยบาปก็จําเป็นแล้วเพราะว่าทํายังไงได้อไม่ทําก็ไม่ได้กินอเอาแต่อันนั้น่ะมาอ้างเอาแต่ว่าไม่ทําก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้แล้วตนจะได้กินได้ใช้ไปนานถึกเท่าไหร่นะเนี่ยมันไม่ได้คิดเลยอ่อตนจะอาศัยร่างกายอันนี้ไปนานเท่าไหร่นาะ ไม่มันไม่ได้คำหนึงเลยแลนะเพราะมัน ล, ลึกไม่ได้นี้เรื่องมันนะอันนี้แนะข้อปฏิบัติในศาสนามนี่เมื่อเรามาแจงออกมาดูงี้นะมันล้วนตั้งแต่เป็นเครื่องกำรรจัดกิเลสป่าประธรรมออกจากขีดใจนี้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มารู้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวมานี่นะเพื่อนจึงได้ขมักขม่นนจึงไม่ประมาทนั่นเอง ก็ยังได้ลงมือปฏิวัติธรทะเรื่องภาวนาเนี่ยก็เป็นเรื่องพยายามทำความรู้ตัวอย่างว่านี่แหละในสติปัฏฐานสี่นั้นพระศาสดาทรงแสดงไว้นั้นก็ลองสังเกตดูล้วนแต่สอนให้ฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้มากําหนดรู้ร่างกายสังขารทุกส่วนนี้นะรายละเอียดมันแจงออกไปทุกชิ้นเลยนะรายละเอียดของสติปัฏฐานนั้นนะ ก็เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งแล้วนั่นเอวันนี้สติตั้งอยู่ที่เวทนาเพราะเวทนานี่จิตก็หลงอะ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็วั่นไหวเลยอย่างนี้นะเอาสติไปตั้งไว้ที่จิตเพราะจิตนี่มันไม่ตั้งมัน่นเพราะสติไม่มีนั่นแะมันจึงสงบไม่ได้เอาสติไปตั้งไว้ความคิดธรรมารมที่เกิดขึ้นจากจิต ให้เห็นสักจะว่ามดทั้งนั้นอาการทั้งสี่อย่างนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเมื่อมันเห็นแจ้งขึ้นมาโดยจริงมันก็เป็นญาณความรู้ก็สามารถล ะ, ค ว, ถนนละความยึดมั่นถือมั่นในขันทังห้าอันนี้ได้เมื่อละความยึดมั่นถือมาในขันห้านี้ได้มันก็เป็นอันวา่าละความโลภความโกรธความหลงงต่างได้ โดยประการทั้งปวงดังแสดงมา